บุ <Book> <99. S 3> ๊กทู9ก n i o helphips คำแสดงความเป็นเจ้าของ guinea <ich> pig แมวของแฟนดิฉัน min velivis well cat สุนัขของแฟนดิฉัน Min Hund. ของเล่นของลูกดิฉันขอ ง, อของเล่ น, งงนของลูกดิฉันขอเล่นของลูกดิฉันของเื่นของลูกดิฉันองเล่นของลูกดิฉันของเล่นของลูกดิฉันของเล่นของลูกดิฉันของเล่นของล e กดิฉัน นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉันดีอารมินโคลกกอร์อาบกระดุมของเสื้อหายไปกระุมบนเอหายไระดนอากระุหายไปกรุนอระมหายไประเสอหายไประดนอยมนเหกรเอหารน้อนกากเสอหยมหนเอ้อารเสอยหหน้าเสย ใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงพ่อลีของเด็กผู้หญิงหรือไิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไรวดันันมจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไรบ้านอยู่ตรงสุดถนนบาอยูดถนนอ่บ้านอยู่ตรงสุดถนนยู่ตรงนดสรรสุสบานอยู่ตรงสุดนอน เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไรหนังสือชื่ออะไรลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไรโรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไร คุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมงวันนี้เป็นวันอะไรวันพิ้เป็นวันอะไร e e t s ี้เป็นวันอะไร